ข้าพระองค์เลื่อมใสในพระภิกษุสงฆ์อย่างนี้คือท่านเนี่ยท่านนนนี่เลื่อมใสในสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในนั้นทั้งหมดนะนะว่าความสงสัยความเคลือบแคลงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในมรรคหรือข้อปฏิบัติไม่มีแม้แก่ภิกษุรูปหนึ่งในจํานวนภิกษุสงหมูน่นี้ไม่มีแม้แต่องค์เดียวเลยที่ ขาดความมั่นใจในพระพุทธเจ้าเพราะทุกองมั่นใจในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ระดับโลกุตระสรณนคมและสรณนคมระดับอรหันนะสรณนคมระดับโสดาบันก็มั่นคงน้อยกว่าพระสกทาคามีสรณนคมของพระสกทาคามีก็มีความมั่นคงน้อยกว่าพระนาคามีพระนาคามีก็นั่นมั่นคงน้อยกว่าพระอรหันพระอรหันตเนี่ยเป็นผู้ที่มั่นคงใน พระรัตนไตรยที่สูงสุดและในข้อปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยนะพระอรหันต์นีนาา่สมบูรณ์ด้วยฮีริโอตปะสมบูรณ์ด้วยเรียกว่าอริยมรรคพรหมจรรย์เนี่ยพระนนทท่านบอกท่านเลื่อมใสจริงจริงซึ่งพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอ น, อนุนเธอพูดด้วยศรัทธาเธอพูดเพราะความเลื่อมใสตะถาคตเนี่ยพูดด้วยอย่างรู้อย่างรู้แปลว่ารู้พูดเพราะอย่างรู้ด้วยสัพพัญญุตยาน เราอย่างรู้ด้วยสัพพัญญุตญาณในข้อนี้เหมือนกันว่าความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือข้อปฏิบัติไม่มีแม้แก่ภิกษุรูปหนึ่งในภิกษุสองหมู่นี้ไม่มีเลยเนี่ยนะทั้งห้าร้อยรูปที่อยู่ภายในม่านเนี่ยไม่มีเลยบรรดาภิกษุห้าร้อยรูปเหล่านี้ภิกษุรูปที่ต่ำกว่าเพื่อนคือพระอน์นี่แหละเป็นพระโสดาบัน ถ้านนท์นี่ต่ำกับเพื่อนอีกแล้วว่างั้นเถอะในจํานวนพระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยพระนนท์เนี่ยเป็นพระโสดาบันองค์อื่นเป็นพระอรหันทั้งหมดแหละและพระนนนท์เองพูดถึงโสดาโสดาบันเนี่ยนะโสตะแปลว่ากระแสะอปั น, นะแปลว่าเข้าถึงผู้เข้าถึงอริยมรรคแล้วเนี่ยพระอนนท์เนี่ยผู้ที่ประชุมอริยมรรคได้เสร็จแล้วท่านไม่ตกต่ําแน่นอน ไม่มีความตกต่ําเป็นธรรมดาท่านจะตกต่าด้วยความชั่วทางกายวาจาใจก็ไม่ไม่ใช่อีกแล้วท่านจะตกต่ำด้วยไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกก็ไม่ใช่แล้วท่านจะตกต่าด้วยคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นต้นก็ไม่ใช่อีกแล้วเพราะท่านนั้นไม่ตกต่ําแน่นอนทั้งโดยการปฏิบัติและโดยการปฏิสนธิและผู้ที่เป็นพระโสดาบันนั้นเป็นผู้นิยตะแน่นอน เพราะเข้าถึงสัมมัตตานิยามแล้วเข้าถึงความประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคแล้วแน่นอนที่จะตรัสรู้ต่อไปเพราะฉะนั้นอย่างไรเสียท่านเหล่านี้จะต้องเป็นพระสกะท า, ก า, าคามีเป็นผ้านาคามีและในที่สุดต้องเป็นผ้าอรหันย์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นองค์ที่อยู่ในม่านเนี่ยนะผ้านอนเนี่ยสงสัยในพระพุทธเจ้ามีไหม ไม่มีมีแต่ความเลื่อมใสอย่างยิ่งพระนรนจะสงสัยในพระธรรมมีไหมบอกไม่มีมีแต่ความเลื่อมใสอย่างยิ่งพระนรนนี่เลื่อมใสในพระสงค์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งไงนะมันพระองค์ก็บอกว่าอรน์เธอพูดเพราะศรัทธาแต่พระพุทธเจ้าพูดเพราะอย่างรู้ด้วยสัพพัญยุตยานอยู่แล้วว่าองค์เหล่านั้นที่ตกต่ำกว่าเพื่อนหรือว่าต่ำที่สุดกว่าเพื่อนก็คือพระโสดาบันหมายถึงพระอรนท์เท่านั้นที่เหลือเป็นพระารหันหมดเลยเนี่ยนะ <c oughs> เพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่าในหน้า441บอกว่าบทว่าวิมติคือไม่สามารถจะวินิจฉัยได้อธิบายโดยย่อว่าผู้ใดพึงเกิดความสงสัยว่า พระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่เป็นพระพุทธเจ้าหนอสงสัยเพราะไปเทียบเอพระพุทธเจ้าองค์นี้เหมือนกับพระพุทธเจ้าในอดีตหรือหนอพระพุทธเจ้าพระองค์นี้จะเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่จะบังเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตหรือหนอพระพุทธเจ้าองค์นี้สร้างบารมีมาจริงหรือหนอพระพุทธเจ้าองค์นี้มีพระพุทธสรีระเช่นกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือหนอมีพระพุทธคุณทั้งหลาย จริงหรือหนอหรือสงสัยเกี่ยวกับสรีระคุณสงสัยเกี่ยวในพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสงสัยบ้างไหมหรือสงสัยว่าเป็นธรรมหรือไม่ใช่ธรรมธรรมนี่แปลว่าทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกต่ำนั่นนะส่งไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลยังสงสัยเคลือบแคลงในพระธรรมหรือหนอะยังสงสัยในมรรคผลนิพพานอยู่หรือหนอสงสัยในพระอริยสงฆ์ทั้งหลายหรือหนาหรือไม่สงสัย คำว่าอริยสงฆ์คือพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะสงสัยว่าเป็นมักมักแปลว่า ข้อปฏิบัติที่ยังลงสู่พระนิพพานหรือผู้ต้องการพระนิพพานต้องปฏิบัติตามอริยมรรคสงสัยในปฏิปทาเช่นปฏิปทาคือศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิกังทิทิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมค า, ามคะญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทายานทัศนวิสุธ ท, ทสธิตลอดจนถึงยาณทัศนวิสุทธิหรือปฏิปทาคืออนุ ป, ปัสนาทั้งหลายเป็นต้นสงสัยหรือหนอเพราะฉะนั้น พระองค์บอกว่าเราจะกล่าวข้อนั้นแก่เธอทั้งหลายเพราะฉะนั้นพิสษุทั้งหลายจงถามมาเถอะจะถามเกี่ยวกับพระพู้แต่เจ้าก็ได้ถามพระเกี่ยวกับพระธรรมก็ได้เกี่ยวกับพระสงฆ์ก็ได้เกี่ยวกับมรรคก็ได้เกี่ยวกับปฏิปทาทั้งหลายก็ได้ปรารถนาจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรสงสยัยข้อไหนก็จงถามมาเถอะเนี่ยนะอย่าได้เคลือบแคลงสงสัยในตอนท้ายเลยบทว่าสัพพุฆารเวนาปิณปุจฉยาถ ความว่าถ้าพวกเธอไม่ถามด้วยความเคารพในภาษาสดาอย่างนี้ว่าบางคนนี่เกรงใจพระพุทธเจ้าไม่กล้าถามไอ้ที่เกรงใจเกรงใจเพราะอะไรเกรงใจว่าเรานี่บวชในสำนักของพระองค์เกรงใจบอกแม้ตัวเองได้บวชในสำนักของพระองค์อย่างหนึง่งแม้กระทั่งปัจจัยสี่จีวอนก็ของพระพุทธเจ้าอาหารทุกคาทุกมื้อก็เป็นของพระพุทธเจ้าที่อยู่ที่อาศัยทั้งหมดก็ของ พระพุทธเจ้าย่าทุกชนิดที่ใช้สอยอยู่ก็ของพระพุทธเจ้าวิถีชีวิตดําเนินอยู่ได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าก็เลยไม่กล้าสงสัยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะแหมเราก็แม้เจาะจงพระพุทธเจ้าอุทิศพระพุทธเจ้าใช้ชีวิตดํารงอยู่พระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะสงสัยพระองค์ไปทําไมเพราะอะไรเพราะตัวเองเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าเลยไม่สงสัยเพราะอะไรเพราะแปวองดิ่งไปแล้วหวังง้นแต่ไม่มีทางเลือกอ่ะนะเมื่อไม่มีทางเลือกมนุษย์สงสัยกันไปทําไม เพราะฉะนั้นพวกเธอไม่ควรทำความสงสัยตลอดการมีประมาณเท่านี้ไว้ในวันนี้เพราะฉะนั้นเดียวถ้าวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจถ้ายังไม่ดิ่งยังไม่ปักใจวันต่อๆไปก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะถามไม่ใช่โอกาสสุดท้ายแบบลาเป็นนะ น, นี้มันลาลาตายอยนัเถอะเพราะฉะนั้นโอกาสอันนี้เนี่ยวันหลังเนี่ยจะไปถามประธาตท่านไม่ตอบแล้วนะ เพราะนั้นมีอะไรก็ถามพระองค์ได้เลยเอบอกว่าถ้าไม่กล้าถามเพราะเคารพเกรงใจจริงๆเลยฝากเพื่อนก็ได้คนที่เคยคบเคยเห็นกันว่าถามแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็จะช่วยกันถามตบอกว่าพระพิสุทั้งหมดห้าร้อยรูปเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นพระ เ, เป็นพระโสดาบันคือพระอานนท์เท่านั้นเองนยนะ พันผู้ที่ต่ํากว่าเพื่อนโดยคุณธรรมคือพระอนนท์นนะส่วนที่เหลือก็เป็นธาตุฐานถึงอย่างนั้นพระอนนท์ก็ถึงแม้ท่านโดยคุณธรรมท่านเป็นพระโสดาบันก็จรงิงแต่ความสามารถเช่นท่านเป็นเลิศทางเอตะทะะัคคะด้านเป็นปหูสูตรท่านทรงจําพุทธพจน์ได้ทั้งหมดเนี่ยนะพันทุกคนเนี่ยนะจะเว้นพระอนนท์ไม่ได้ในพระศาสนานี้เพราะฉะนั้นต่ําโดยคุณธรรมก็จรงิงแต่ว่าอริยสัพย์คือสุตตะของท่านกว้างขวางยิ่งนักนะ่นนะ ทีนี้โอวาสสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพานเนี่ยนะนะโอวาสสุดท้ายว่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าขยะวยะธรรมมาสังขาราอ ป, ปมาเทนะสัมปาเททาติสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารทุกชนิดเนี่ยนะตั้งแต่เลวร้ายต่ำซามขนาดไหน อนนะสังขารสังขารหมายถึงว่าขันอายตนะธาตุทั้งหลายจะเลวร้ายขนาดไหนจนถึงประียสูงสุดปานใดก็ตามสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเสื่อมไปเป็นธรรมดาอนนวยะธรรมมาสักอนนสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาขยะวยะธรรมมาสังขาราเสื่อมเป็นธรรมดาสิ้นเป็นธรรมดา ก็แปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความเสื่อมเป็นธรรมดามีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปและแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเจือปนไปกับชรามรณะเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมานัตและอุปายาตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยจักเป็นอัตตาและ จะเป็นอัตราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อัตราไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตราเมื่อสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง น, นะเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้กิจอันเดียวเท่านั้นที่เธอตั้งหลายจะต้องปฏิบัติก็คือยังความไปไม่ประมาณให้ถึงพร้อมเธอ ยังความไม่ประมาทก็คือเจริญโพธิปัจจะธรรมที่ยังไม่เจริญให้เจริญโพธิปัจขยธรรมที่เจริญขึ้นแล้วก็ทําให้ พ, พ่อภูมบริบูรณ์เธอเพราะไม่ประมาทหมายถึงการอยู่โดยไม่ปราศจากสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรียีพร ะ, ระโพชฌงและองค์มักทั้งหลายนั่นเองพัถ้าเธอ อ, อยู่ด้วยด้วยคำสอนนั่นแหละเชื่อว่าไม่ประมาทนี่แหละเป็นพระปัจฉิมวาจาของ พระตถ า, าคตเป็นโอวาสสุดท้ายเนี่ยนะก็คือให้ปฏิบัติตามอรรยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเถิดอธิบายเพิ่มเติมว่าอปปมาเทนะสัมปาเทถะเนี่ยนะเธอจงยังกิจทั้งปวงให้สำเร็จด้วยความไม่ปราศจากสติเนี่ยนะ กล่าวว่ากิจคำว่ากิจก็คือกิจในการเจริญอธิศีนกิจในการเจริญอธิจิตและกิจในการเจริญอธิปัญญากิจในการกําหนดรอบรู้อุปาทานขันห้ากิจในการละสมุทัยกิจในการทํานิโรธให้แจ้งกิจในการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8กิจในการเจริญโพธิปักขยธรรมเธอจงทํากิจเหล่านั้นด้วยความไม่ประมาทด้วยความไม่เผลอเริมไม่เบลอเป็นต้นเธอ สรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรทมที่เตียงปรินิพานโอวาสสุดท้ายพระองค์โอวาสสรุปพระโอวาสที่ประทานมาหรือสั่งสอนมาตลอด45ภาษารวมลงในบทคือความไม่ประมาทอย่างเดียวเท่านั้นก็คืออย่าประมาทใน ทุกอย่างที่พระองค์บอกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระองค์ตรัสรู้ดีแล้วพระธรรมก็นําออกจากทุกขแท้จริงแล้วพระสงฆ์ก็ปฏิบัติดีแล้วเพราะฉะนั้นควรหรือที่จะประมาทในพระรัตนตรัยควรหรือเนี่ยนะที่จะประมาทในศีลทั้งหลายเพราะพระองค์วินิจฉัยเลือกเฟ้นศีล ของพระองค์ได้อย่างดีเลือกเฟ้นสมถะและวิปั ส, สนาเลือกเฟ้นทุกอย่างเพราะฉะนั้นกิจในการเจริญศึกษาสามกิจในการเจริญวิสุทธิ์ที่เจ็ดกิจในการเจริญข้อปฏิบัติโพธิปัจจะธรรมทั้งปวงเนี่ยนะต้องทําด้วยความไม่ประมาทเพราะคนที่ประมาทคือคนที่ตายแล้วเนี่ยนะตายแล้วอะไรก็คือชาตินี้ก็ถือว่าจบแล้วชาติต่อต่อไปอีกก็ชื่อว่าจบจบหมายความว่าจบแบบ จบจากพระศาสนาหมายว่าตกจากพระศาสนาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่าเคลื่อนจากพระศาสนาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ประมาทคือคนที่ตายแล้วเพราะเขาจะสู่ชรามรณะตายพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าไม่มีจบมีสิ้นส่วนอ่านะเขาเรียกว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายนะนะมันความไม่ประมาทจึงเป็นทางไม่ตายเพราะฉะนั้นถ้าเธอไม่ประมาท โครจรไปในธรรมของพระเรียเจ้าทั้งหลายอันต่างด้วยสติประธานสัมมประธานอิทธิบาตอินสีพละโพชฌงและองค์มรโครจรไปในโพที่ปักกยธรรมเพราะฉะนั้นการที่โครจรไปดามทำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทเชื่อว่าปฏิบัติเพื่อแทงตลอด อ ม, มะตะเพราะผู้ที่ไม่ประมาทเจริญศิกขาสามให้เพียบพร้อมภัยบณ์ลและบริบูรณ์ก็สา ม, มารถทำที่สุดแห่งทุกได้อันนี้ถือว่าเป็นพุทธวาจาปัชิมะวาจาที่มีอยู่ในครั้งสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะปรินิพานแปลว่าไม่มีคำอื่นต่อไปอีกแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกิจอันเดียวก็คือปฏิบัติตามคำสอนนะ และการปฏิบัติทำตามคำสอนก็ต้องไม่เผลอไม่เบลอเนี่ยนะคือว่าเอาใจใส่อย่างจดจอ่อแล้วก็มีการปฏิบัติอย่างแท้จริงไม่อะไรในร่างกายและชีวิตที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการเกิดขึ้นของพระองค์เนี่ยนะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเป็นการเกิดขึ้นที่แสนจะยากพระธรรมวินัยของพระองค์ที่จะเจริญรุ่งเรืองในโลกก็เป็นของยากผู้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ก็หาได้ยากเนี่ยนะ ผู้ที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยจะบรรลุมรรคผลได้ตามจริงก็หาได้ยากเพราะฉะนั้นกิจสิ่งที่ได้โดยยากทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นกิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาทอย่างแท้จริงนะเพราะว่าโอกาสที่จะมีคําสอนของผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าให้ศึกษาในโลกหาได้ยากแท้ต่อต่ อ, ตอไปเนี่ยนะถ้ากล่าวไปแล้วเนี่ยจะหาโอกาสศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้า ถือว่าไม่ใช่ฐานะอีกแล้วเนี่ยนะเพราะพ้พุทธการพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เมื่อไหร่น้อที่จะได้ฟังพุทธโอวาจากพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเนี่ยนะเมื่อใดน้อที่จะมีการเลือกเฟ้นคัดสรรว่าคําสอนเหล่านี้นําออกจากทุกจริงเมื่อใดน้อที่จะพบหมู่ผ้าเรียรเจ้าทั้งหลายที่ปฏิบัติดีด้วยกายวาจาใจปฏิบัติตรัสรู้ตาม พระพุทธเจ้าจะหาได้ที่ไหนเนเพราะฉะนั้นกิจในพระศาสนานี้ทั้งมวลควรกระทำด้วยความไม่ประมาทผู้ที่ไม่ประมาทสามารถทำที่สุดแห่งทุกเช่นกับพระอริยเจ้าทั้งหลายส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับปริเนปนของพระพุทธเจ้าก็คงเอาไว้ติดตามพวกนี้ก็แล้วกันเนี่ะัน สำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายเจริญงอกงามในข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขอให้เราได้เจริญคุณธรรมที่สมควรแก่การเจริญให้งอกงามไพ่บูรบริบูรณ์ยิ่งขึ้นตลอดไปเนี่ยนะในที่สุดก็สามารถตรัสรู้รมเป็นที่ดับทุกสามารถตรัสรู้รำเป็นที่พ้นทุก์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่นกัน น, นะวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้